ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินยาสังคหะอัตตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวีรังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่สามสิบสองครุกาปฏิวุธานะวินิชยากถากะถาว่าด้วยเรื่องของการออกจากครุกาบัติต่อ สงให้ปรวิวาสเพื่ออาบัติใดไม่พึงต้องอาบัตนั้นอีกอ น, นี่ก็เป็นข้อวัดของปริวาสกาภิกษุว่าเมื่อต้องอาบัตสังฆทิเศแล้วอยู่ปรวิวาสแล้วก็ไม่พึงต้องอาบัตสังฆทิเศอย่างนั้นอีกหรืออาบัตเช่นนั้นอย่างอื่นหรืออาบัตที่เลวทามกว่านั้นนักกว่า น, นี้ก็คือปรราชิกไม่พึงติกรรมไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทํากรรม เขาทำสังกรรมอะไรกันก็จะไปออกความเห็นไปติภิกษุผู้ทากรรมหรือวติกรรมนั้นก็ไม่ควรไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตตะภิกษุตัวเองก็ยังไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะไปห้ามอุโบสถแก่ภิกษุบริสุทธิ์ไม่พึงห้ามภาวนาแก่ปกตตะภิกษุไม่พึงทำการไต่สวนอยากไปเป็นนินายทนไต่สวนให้กับคนอื่น เพื่อประโยชน์แก่การประวิงหรือเพื่อประโยชน์แก่การเกาะตัวอย่าไปนวงเหนียวเกาะตัวใครเขาเพื่อจะทำการไต่สวนต่างๆจึงอยู่เมื่อจะทำเพื่อประโยชน์แก่การประวิงช่อมทำอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าจะทำท่านให้เป็นผู้ให้การในคดีนี้ท่านจะได้ย่างออกจากอาวาสนี้เพียงเจ้าเดียวตลอดเวลาที่อธิกรยังระ ง, งับไม่เสร็จดังนี้ก็ตัวเองยัง ไม่ได้ทำกรรมให้เรียบร้อยเลยอย่าไปวินิจฉัยอะไรให้คนอื่นเขาเมื่อจะทำเพื่อประโยชน์ใาการเกาะตัวย่อมทำอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าย่อมจะทำท่านให้เป็นผู้ให้การท่านจงมาไปต่อหน้าพราะวิเนตรพร้อมกับข้าพเจ้าดัางนี้อันนี้ก็ไม่ควรทำไม่พึงทำความเป็นผู้มีคำจะต้องกล่าวทั้งสองนั้นไม่พึงรับตำแหน่งหัวหน้าในวิหารคือไม่พึงเป็นผู้สวดปาติโมก หรือเชิญแสดงธรรมไม่พึงทําการเนื่องด้วยความเป็นใหญ่แมด้วยอำ น, นาจสมมุติอย่างใดอย่างหนึ่งในสมมุติสิทสามอย่างอันนี้ก็ไม่ควรที่จะไปทําอย่างนั้นถ้าเขาจะสมมุติให้ก็บอกว่าข้าพเจ้าประพฤติกรรมอยู่ประพฤติวินัยอยู่ไม่พึงให้ทําโอกาสแก่ปกติต่าทิศตุอย่างนี้ว่าท่านจงทําโอกาสแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีเรื่องจะพูดกับท่าน ดังนี้ไม่ควรจะไปขอโอกาสโจทย์อาบัตตอื่นเขาไม่พึงโจทย์ด้วยวัตถุหรือว่าอาบัตไม่พึงให้พิสุอื่นให้การด้วยคำว่านี้เป็นโทษของท่านหรือไม่พึงช่วยกระทำการทะเละซึ่งกันและกันกันกบพวกพิสุเป็นพระสังฆเถระไม่พึงไปไม่พึงนั่งข้างหน้าปกติตะพิสุแล้จะเป็นพระสังฆเทระมีคปามสามารถกว่าแค่ไหนก็ตาม ไม่พึงไปข้างหน้าในเมื่อบินดาบาหรือว่านั่งข้างหน้าในเมื่อจะฉันจะต้องเป็นั่งสุดท้ายเดินสุดท้ายด้วยพึงละอุปจาระสิบสองศอกเสียพึงไปถ้าจะไปก็ไปข้างหน้าดูก็ต้องเลยสิบสองศอกของพระจุดูตามหลังจะไปข้างหลังจะต้องละสิบสองศอกเหมือนกันพึงไปและพึงนั่งตามลําดับอาสนะสุดท้าย ที่นอนสุดท้ายของสงฆ์พึงให้อานาสุดท้ายเป็นต้นแก่ปริวาสิกะทิ่สุดนั้นเป็นรัศมีเทระก็ต้องไปอยู่อานาสุดท้ายอานาสุดท้ายก็คืออานาที่เลวที่สุดแต่หละในอานาสุดท้ายเป็นต้นนี้ชื่อว่าอาสนะสุดท้ายได้แก่อานาของพระสามข้าวนวกะในโรงพัฒเป็นต้นพึงให้อานาจสุดท้ายนั้นแก่ปริวาสิกะทิกสุดนั้น เธอเพึ่งนั่งบนอาสนะนั้นชื่อว่าที่นอนสุดท้ายได้แก่ที่นอนสุดท้ายคือเตียงตังที่เลวกว่าเตียงตังทั้งหมดจึงอยู่บริวัชกาที่สุดนี้ไม่ได้เพื่อถือเอาที่ดอนที่ซึ่งถึงแก่ตนตามรดับรัญหาไม่ควรแจกําเระดับปัญหาควรจะต้องไปเอาที่ที่สารที่สุดเลยแต่ที่ดอนที่เลวซึ่งสารด้วยหวายและเปลือกไม้เป็นต้น มีที่เลือดกลมที่เหลือจากที่ดอนซึ่งพิษสุทธเท่าปวงเลือกถือเอาแล้วควรแก่เธอเหมือนอย่างว่าที่ดอนเป็นชันใดแม้ที่อยู่ย่อมไม่ควรแก่พิษสุทธ์นั้นในที่ถึงแก่ตนตามระนับปัรสารเกันแต่บรรดาสราที่มีพื้นบ้าด้วยทุเรีนเป็นไปด้วยบูลข้าวขาวและดูซึ่งเหลือจากที่พิษสุทธเท่าปวงถือเอาแล้วควรให้แก่เธอ ถ้าปกติตาพิกูุทั้งหมดเป็นผู้ถือรุกขบูนหรืออโภกาศไม่เข้าที่บุงบังอาว่าทั้งหมดจัดว่าเป็นอาว่าที่พิกูุเหล่านั้นสละแล้วบรรดาอว่าเหล่านั้นเธอย่อมได้อาว่าที่ตนตอกาาจะเลือกอยู่อาวาไหนก็ได้ที่อยู่ไหนก็ได้เพราะว่าพิกษุถือทุดงถือรุขบูนถืออโอกาศอยู่ในที่แจ้งหมดแล้วจะอยู่ลำไหนก็ได้ตามสบาย อันเดึ่งในวันว ส, สุปดนนายิกาก็คือวันเข้าภาษาเธอจ้องได้เพื่อยืนอยู่ข้างหนึ่งรับปัจจัยตามลําดับภาษาแต่ไม่ได้เพื่อถือเอาเสดาสนะก็คือถ้าเขาถอยปัจจัยนี้รับตามภาษาได้แต่ว่าจะมารับเอาเสดาสนะตามภาษาไม่ได้ก็รับอาสนะสุดท้ายแต่ปัจจัยนี้ตามภาษาได้ปริวาสิกาภิกษุผู้ไข่จะถือเอาเสดาสนะ ที่มีผ้าจำนดํันสางเป็ น, นดิสเพิ่งเก็บวัดก่อนแล้วจึงถึงเอาถ้าเกิดให้ถือเอาเสดาชนะที่มีผ้าจำนามันสางหรือว่าถ้าปราถนาจะถือเอาจริงๆก็ต้องเก็บวัดก่อนเมื่อเก็บวัดแล้วเป็นปริวัชิกาที่สุขามาที่จะรูหรือว่าถือเอาเสดาสะนะที่มีผ้าจำนำมันสางได้เธอรับนิมนต์ในที่แห่งญาติและคนประวรรณนว่าขอท่านจงาพาภิกษุมาเท่านี้ดังนี้ แล้วไม่ควรชักชวนอย่างนี้ว่าสกุลชื่อโด้นที่บนภิกษุทั้งหลายครับมาเถิดพวกเราจะไปในที่ดั้นดังนี้ไม่ควรทําอย่างนี้ทำภิกษุผู้ปกตัดตัททั้งหลายเป็นบุเรจาริกหรือปัจฉาสมณะเข้าไปสู่สกุลทั้งหลายดจับแจงจะเป็นหัวได้าก็ไม่ควรทํางนี้แต่ว่าสมควรจะกล่าวโดยปริยายแห่งวิเนียอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญชนทั้งหลายในบ้านชื่อนุวังการบาของพิกษุตทั้งหลายคงจะดีหนอทางท่านทั้งหลายพึงทําความสงเคราะห์แก่ชนเหล่านั้นก็ให้กล่าวในอ้อมอย่านี้เป็นการนิมนต์ได้แหละเมื่อระอที่จะบอกวัดแก่พิกษุผู้บาแล้วบาแล้วไม่ควรสมาทานอารัญญิกะทุนองอรัญยิกะทุนองนั้นแม้พิษุใดสมาทานแล้วตามปกติ สิจูน้ายพึงชวนพิจุผู้เป็นเพื่อนรับอารุณ์ในป่าแต่ไม่ควรอยู่ตามธรรมถ้าปกติรับสารอรัญญาทุดงอยู่แล้วก็เก็บวัดแล้วก็ไปสมบัาิในป่าตอนเช้าแต่ท่านแนะนำว่าไม่ควรจะสบัติอรัญญาทุดงเพราะว่าเดี๋ยวใครก็จะต้องบอกต้องบอกเพราะพิจูไปมาในวัดเยอะท่านก็ให้เก็บวัดเสีย อเนหนึง่งเมือม่อเบื่อนายต่อการนั่งในอัสนะสุดท้ายในโรงอาหารเป็นต้นไม่ควรสมทานแม้ซึ่งเป็นหนาปานทิกะทุดงเหมือนกันแต่ไม่มีการห้ามแต่พิกจุผู้ถือเป็นหน้าปาตทิกะทุดงตามปกติก็คือถ้าปกติจะถือทุดงมาฉันก็ต้องมาดั้งอัสนะสุดท้ายในโรงฉันนั่นแหละไม่พึงให้นำบินทบาทมาส่ง ก็ปั จ, จยนะั้ำด้วยคิดว่าคนทั้งหลายจะรู้จักเราไม่ควรให้ดำบินทบาลออกไปเพราะเหตุดีว่าเราเป็นผู้บีอาหารดำไปแล้วด้านฉันอยู่ในกุดีด้านแหลจัดดับราตรีได้คือว่ารัติเฉดพึงมีแกเราผู้เห็นพิกจุผู้มาในบ้านแล้วไม่บอกเธอยอมไม่ได้แม้เพื่อให้สำเราหุงต้มฉันที่วัดด้วยอธิยาศัยดีว่า ในพิจุรูปเดียวจงอยากรู้จักเราคือควรเข้าบ้านเพื่อบินฑบาสนั่นเองก็คือต้องทําตามปกติของพิจูตัวไปเข้าบานบินดบาปไม่ควรจะให้เขาเอาอาหารมาให้ฉันที่กุฏิเพื่อจะไม่ให้คนอื่นเขารู้จักแต่ปรวิวาสิกาพิจูผู้อ า, าพาธหรือผู้ควรควายในนวกรรมและกิจของอาจารย์และอุปชาเป็นต้นควรอยู่ในบูรีที่อยู่ได้ถ้ามกิจ ทำของส่วนรวมขงสงอยู่ถ้าช่วยเหลือจิตขอสงอยู่สามารถที่จะอยู่ในกุดีได้ถ้าพิกูุหลายร้อยรูปเที่ยวอยู่ในบ้านไปสามารถจะบอกได้ควรไปยังคาบกาว่าแล้วอยู่ในที่แห่งพิจูผู้เป็นเพื่อนกันข้อกล่าวไว้ว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายพิกษูผู้อยู่แปลว่าเป็นอัศจุกาไปถึงบอกวัด อคตุกะบ า, าก็พึงบอกพึงบอกในวันอุโบสถพึงบอกในวันเปรนาถ้าอาพาธก็พึงส่งพูดไปบอกดังนี้ฉะนั้นแม้เป็นอคตุกะไปมัดบางแห่งก็พึงบอกแกพิกสุททั้งหลายในวัดดั้นถ้าเห็นพิกสุท์ทั้งหมดอยู่ในที่เดียวกันพึงยืนบอกในที่เดียวกันถ้าพิกสุททั้งหลายแยกแยกกันอยู่ตามโคนไม้เป็นต้นพึงไปในที่นั้นดั้น เมื่อจงใจไม่บอกเป็นรัติเฉดขาดราตรีด้วยเป็นทุกกฎเพราะวัตถเพศด้วยถ้าคนหาไม่พบที่สูบาวพวกเป็นแต่รัติเฉดเท่านั้นไม่เป็นทุกกไม่เป็นทุกกฎเกกฎพราะวัตถเพศพึงบอกแม้แค่อาคตุ ก, กะรูปเดียวหรือหลายรูปที่มาสู่ที่อยู่ของตนตามในที่กล่าวแล้วนั่นแหลอันหนึ่งแมรัติเฉดและวัตเพศ ในอาคันตุกาโรจนาที่กานี้ก็คือในเรื่องการบอกอาคันตุกะก็เพิงสรางตามในที่กล่าวแล้วเหมือนกันก็คือเป็นอาคันตุกะไปวัดอื่นต้องบอกกับพิกจุเหล่านั้นหรือว่ามีอาคันตุกะมาก็ต้องบอกถ้าพิจุอาคันตุกะพักครู่เดียวหรือไม่พักเลยไปโดยท่ากันเห็นวัดควรบอกแม้แต่พิกจุอาคันตุกะเหล่านั้น ถพิกตุอคาตาุกะไปเสียเมื่อปาริวาสิกะพิกตุยังไม่ทันรู้แต่ว่าปาริวาสิกะพิกตุนี้รู้ในเวลาที่ไปแต่แล้วพึงตามไปบอกเมื่อไม่อาจจะไปทันหรือไม่อาจประกาศให้ได้ยินคงเป็นแต่รัติเชตเท่านั้นเพราะว่าพยายามที่จะบอกแล้วแต่ว่าบอกไม่ได้ก็นับประตรีไม่ได้เหมืนนั้นท้องับใหม่แต่ว่าทุกทุกฎนี้ไม่เป็นไม่เป็นทุกกฎพระวสะเพทเลย ฝ่ายพิสูจอาคันตุกะเหล่าใดไม่เข้าสู่ภายในวัดเ ข, วเข้าอุปจาระแล้วไปเสียและปริวัติการพิสูจนี้ได้ยินเสียงร่มเสียงออหรือว่าเสียงจอมของพิสูุอาคันตุกะเหล่านั้นรู้ว่าเป็นอาคันตุกะเพิงไปบอกแม่รู้ในเวลาที่พวกเธอไปแล้วก็ควรตามไปบอกจนได้เมื่อไม่สามารถจะไปทันคงเป็นแต่รับติเชิไม่เป็นทุกกฎเพราะวัตถเพศ ในขณะเขาเข้ามาแค่อุปจารวัดก็ต้องไปบอกถ้ารู้ถ้าไม่รู้นัตติเฉดอย่างเดียวต้องกวรอยู่เกิดเอาไว้แม้พิสุขอคัคตุกะใดมาในเวลากลางคืนไปในเวลากลางคืนนั่นเองแม้พิสุขอคัคตุกะนั้นย่อมกระทำเป็นนัตติเฉดแก่ปาริวาสิกะทิสุกนั้นแต่เพราะไม่รู้จึงไม่บีอบัตุกดเพราะวัตเพศได้กุรุนทีกล่าวว่า ถ้าไม่ทันรู้กระทําอภายกรรมนั้นไม่เป็นอันทําแท้เพราะเหตุดั้นควรนับราตรีให้เกินไว้แล้วจึงค่อยทอําอภายกรรมนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดอยู่เกินไว้สักห้าวันกระดีห้วันหรือว่าห้าหกวั น, หวนเห็นี่ถูกไปในเรือในแม่น้ำเป็นต้นกรดียืนอยู่ที่ฟาก น, นกด้กรดีเหาะไปในอากาศก็ดี ยืนอยู่ในที่ไกลบนพื้นภูเขาและป่าเป็นต้นก็ดีถ้ามีความกําหนดได้ว่าเป็นทิกตุพึงไปบอกวัดด้วยเรือเป็นต้นก็ได้พึงส่งเสียงดังแล้วรีบตามไปบอกก็ได้เมื่อไม่บอกเป็นรัติเขิด้วยเป็นทุกกฎเพราะวัตถเภศด้วยจะเห็นอยู่ในที่ไกลหรือว่าเหาะไปดีนะยังไงก็ถ้าไม่มีฤทธิ์จะเหาะไม่ได้อยนะู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งใจตามไปบอกแต่บอกไปได้ก็ ได้เป็นวัตถเพสไม่ต้องอบัตทุกฏแต่ว่ารติเชดถ้าว่าแม้พยญ า, ยาอยู่ก็ไม่สามารถจะทันหรือว่าให้ได้ยินเป็นเพียงรติเฉดได้เป็นทุกฏเระวัตถเพศฝ่ายพระสังฆเสดาพยะเถระกล่าวด้วยอนนัมเนแห่งวิสัยและอวิสั ย, ว, ยว่าเมื่อไม่บอกในวิสัยที่จะบอกได้เป็นรัติเฉดด้วยเป็นทุกฏด้วยเพราะวัตถเพศด้วยแต่ในอวิสัยไม่มีทั้งสองอย่างดังนี้ ที่เป็นความเห็นของพระสังะเซดาพยาเถระส่วนพระกระวิกะติสาธิระกล่าวว่าความกำหนดว่าผู้นี้เป็นสมณะนั่นแหละเป็นประมาณถ้าแม้ไม่ใช่วิสัยไม่มีทุกตนเพราะว่าตเภทเท่านั้นแต่คงเป็นรติเฉดแท้ก็คือดับราตรีไม่ได้ขาดราตรีก็มีปัญหากานว่าถ้าเกิดพระภิกษุ อยู่ในวัดแล้วก็ไปสู่อีกวัดหนึ่งซึ่งอยู่ไกลอยู่ไกลเป็นกิโลเลยออกกระจายเสียงพระพิจุที่อยู่ปริวัต็รู้ได้ว่าอันนี้เป็นเสียงพิษุอันนี้ต้องไปบอกหรือไม่อันนี้ก็ได้พิจรารณาแต่ว่ารู้ว่าเป็นพระพิจุแต่ว่าเป็นไกลเหลือเกินแต่ว่าเขาออกกระจายเสียงเลยนะอันนี้ถ้าจะเทียบ กับทางทีวีด้วยก็ได้ก็คือเห็นภาพพิสูจนอยู่ในทีวีอยู่ต่างประเทศอย่างนี้นะหรือว่าอยู่จังหวัดอื่นอันนี้ก็มันไม่มีเกตที่จะต้องไปบอกนะมันเหลืวิสัยอยู่แล้วด้วยหรือวิสัยแล้วก็ไม่ใช่วิสัยปกติธรรมดาจะเทียบเอากับภาพพิสูจที่มีริ้ก็ไม่ได้เพราะมีริ้นั้นเห็นด้วยตาเลยไม่ได้เห็นจากสื่อต่างๆมีริ้นที่หอะไปเลยนะอันนี้ก็ควรจะต้องไปบอกแต่ถ้าเกิดเห็นส่งมาทางส่งภาพมาทางทีวีหรือว่าได้ยินเสียงมาจาก ไอ้ไบโครโฟนหรือว่าทางวิทยุอะไรต่างเหล่านี้มันเกินความสามารถนะอันนี้ก็ต้องทําในใจพ้องไปวิจุที่ใหนที่ใหนต้องดีทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าให้เห็นเฉพาะนะ่าหรือว่าหเห็นในวิสัยที่สามารถที่จะพอจะบอกได้หรือว่าจะไปจะไปบอกได้ในวันอุโบสถที่ตัวอาาักขันตุกะทั้งหลายย่อมมาด้วยตั้งใจว่าเราจะทําอุโบสถแม้ไปด้วยฤทธ ทราบว่าเป็นวันอุโบสถย่อมลงทําอุโบสถเพราะฉะนั้นจึงควรบอกในวันอุโบสถเพื่อชำระอคติุ ก, กะแม้ในวันปวนารณาก็ในนี้แลพิกสุผู้อาพาธผู้ไม่สามารถจะไปได้ฝึงให้ส่งพิกษุไปบอกจะส่งอนุปสัมพันธ์ไปบอกนะั้นไม่ควรถ้าจะส่งไปบอกนี้ต้องให้พระพิกษุไปบอกนะ พิุูผู้อยู่ปริวารไม่พึงออกจากอาวาสหรืออาดาวาสก็คือในถิ่ที่ไม่ใช่อาวาสเนี่ยที่มีพิกจุไปจู่อาวาสหรืออาดาวาสที่ไม่มีพิกษุหรือมีพิกษุเป็นนาฬสังวะเว้นไว้แต่ไปกับปกตตะพิกษุเว้นแต่มีอันตรายแล้วก็ไม่ควรจะออกไปที่ไหนหรอกถ้าไม่มีพระพิกจุไปด้วยดีถ้ามีพิกจุไปด้วยค่อยไปหรือว่าถ้ามีกิจุจำเป็นจริงๆเก็บวัดเซียแล้วก็ไป หรือว่านอกจากอันตรายก็ไปได้จรินอยู่ในที่ใดแม้พิจูตรูปเดียวก็ไม่มีไม่พึงไปอยู่ในที่นั้นเพราะว่าราตรีที่อยู่ในวัดว่างเปล่านั้นเป็นราตรีที่ไม่ถึงการนับคือนับพิกูุไม่ได้เพราะว่าองค์ของรัติเชษกพิษุผู้อยู่ปริวาสก็คือจะต้องอยู่ร่วมกับพิษุที่มีอยู่ในวัดแล้วก็ อยู่ร่วมสหาวาสต้องอยู่ร่วมแล้วก็วิปวาสการอยู่ปราอยู่ร่วมนี่หมายถึงนอนในชายคาเดียวกันโดยรัติเชืต้องไม่อยู่ร่วมแล้วก็ไม่อยู่ปราแล้วก็ต้องบอกมีสามแต่ว่าถ้าของพิสุมาณ์ก็มีสี่แต่เพื่อนในคณะอันคล้องเพราะฉะนั้นต้องมีพระภิกษุที่อยู่ในวัดด้วยก็คือไม่อยู่ปราจากพระภิกษุนั่นเองต่อไป แต่เมื่อมีอันตรายสิบอย่างถึงแม้ถ้าว่าราตรีเทัางหายจะไม่ยอมให้นับก็ควรไปเสียเพื่อพ้นจากอันตรายแท้แล้วถ้าหน้าราตรีไม่ได้ไม่เป็นไรให้พ้นจากอันตรายจะรักษาชีวิตไว้ประพฤตประมาจรรันเดี๋ยวค่อยมาอยู่เป็นว่านใหม่ก็ได้แล้วราตรีใหม่ก็ได้เพราะเหตุ น, นั้นพระผู้มีพภาคเจ้าจึงตรัสว่าเว้นแต่มีอันตรายดังนี้ไม่ควรทําวินัยกรรมกับพิกจุผู้เป็นดาราสังว่า แม้เพราะไม่บอปแต่พิกจุนาณาสังวาสเหล่านั้นรัทติเฉกย่อมไม่มีก็คือไม่ขาดราตรีด้วยพิจุนาณาสังวาก็มีสองอย่างก็คือนานาสังวาโดยกรรมกับนานาสังวาโดยลัทธิถ้านานาสังวาโดยกรรมก็หมายถึงพิกจุที่ถูกสงลงโอเคปัญญกรรมสามอย่างเลยนะโดยไม่เห็นอบบัตไม่แสดงอบบัตคืนหรือว่าเป็นผู้มีวิชฉา ท, ทิฏฐินั่นแหละอันนี้ถ้าถูกสงลงโอเคปัญญกรรมก็เรียกว่าเป็นานาณาสังวาสเพราะกรรม แต่ว่าพิกษุเหล่าในาเป็นเป็นพระผูวของพิสูจที่ถูกลงโอเคปริยกรรมแล้วแล้วก็ประพฤติตามพิสูุที่ถูกลงโอเคปริยกรรมแล้วล ก, ก, ก, ล ก, รรลก็กลายเป็นนาาสังว่าโดยลัทธิไปก็ไม่ควรจะบอกแต่พวกนั้นไม่เป็นลัทธิเฉดด้วยไม่เป็นอบับบาด้วยที่อยู่นั้นย่อมเป็นเหมือนอาวาสไม่มีพิกษุน์นั่นเองเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าได้อาวาสที่มีพิกษุผู้เป็นนาาสังว่าปณิโก ไม่ต้องบอกได้พิกจูผู้อยู่ปริวาไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันไในอาวาหรืออดาวะกับปก ต, กติตะพิจุอย่าไปอยู่ที่มุงที่บางเดียวกันเพราะว่าถ้าอยู่แล้วเป็นอนที่เชตในเรื่องนี้เศนาสนะที่ทําไว้เพื่อประโยชน์แก่การอยู่ชื่อว่าอาวาหมายถึงเสนาสนะที่สามารถเข้าไปอยู่ได้ สถานที่เป็นต้นอย่างนี้คือเรือนเจดีเรือโรรนโพร้านเก็บไม้กว่าร้านเก็บไม้โรงน้ําวัดชกุดีซุ้มประตูชื่อว่าอะน่าวาในมหาปัจจรีกล่าวว่าพิจุผู้ถูกสงยกวัดแล้วไม่ได้เพื่ออยู่ในโอกาสเหล่านี้ได้โอกาสใดโอกาสหนึ่งซึ่งมุมเป็นอันเดียวกันกําหนดด้วยที่ตกแห่งน้ําจากชายผา แต่ปริวาสิกาพิจุไม่ได้เพื่ออยู่ภายในอาวะเท่านั้นส่วนมหาอตตะขาแก้ว่าการอยู่นั้นห้ามด้วยชายพาโดยไม่แปล ก, กันในกุรุนทีแก้ว่าการที่ปริวาสิกาพิจุและพิจุที่ถูกสงยกวัดอยู่ร่วมกับปกตตะพิจุโดยที่มุงด้วยเครื่องมุงห้าอย่างเหล่านั้นท่านห้าด้วยชายพานะเจ้าชายพาเป็นกระบอกดังนี้ เพราะฉะนั้นถ้าอยู่คนเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้ามีพิจุปกตะทตะข้ามาในชายคานั้นก็ต้องออกไปข้างนอกถ้าอยู่ร่วมในชายพาเดีกันเป็นรัติเชนเพราะฉะนั้นปาริวสราสิกาพิจุไม่ควรอยู่ในที่มุงอันเดียวกันแม้มีอุปจาระต่างกันก็ท้าว่าเป็นปกระทตะพิจุที่อุปสมบทในวันนั้นเข้าไปนอนก่อน ในโอกาสที่มุ่งอันเดียวกันนี้ปริวาสิกะพิกตุแม้มีปัรษาทั้งหกสิบเข้าไปที่หลังรู้อยู่และ Pil นอนเป็นรัติเฉดด้วยเป็นทุกข์กดเพราะวัตถเพศด้วยเมื่อไม่รู้เป็นแต่รัติเฉดไม่เป็นทุกข์กดเพราะวัตถเพศแต่ถ้าเมื่อปริวาสิกะพิกตุนั้นนอนก่อนพิกษุผู้ปัจจตตะเข้าไปนอนที่หลังและปริวาสิกะพิกตุรู้อยู่เป็นรัติเฉดด้วยเป็นทุกข์กดเพราะวัตถเพศด้วย ถ้าไม่รู้เป็นเพียงรติเฉดไม่เป็นทุกโกรธเพราะวัตเพศเมื่อมีรู้ก็ไม่ใช่วิสัยวันี้ยุติดแค่นี้ก่อนเไว้ต่อวันพรุ่งนี้ก็ได้กันก็ขอให้ท่านทั้งหลายเอื้อเฟื้อตอบพระธรรมวินัยแล้วก็ตั้งใจศึกษาอบรมแต่สิขาเพื่อปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพื่อรู้แจ้งโลกุตระธรรม ท, ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดรู้แล้วแ ล, วแลวะเพื่ออนุ ญ, ญาตสาวกทั้งหลายได้ตัดรู้แล้วด้วยเถิดสาวทุสาธุสาธุ